มงกุฎไพรเล่มสองตอนที่191หุบ ป, ปากพูดในเรื่องที่มันไม่เป็นเรื่องเซทีได้ไหมฉันคิดว่าที่ระพินชวนเราขึ้นมาที่นี่คืนนี้เขาน่าจะมีอะไรให้เราเห็นสักอย่างคงไม่ต้องการที่จะมาชี้ชมธรรมชาติหรือว่าให้ใครมาประท่าคารมกันกับใครหรอกมาร่วมคิดร่วมปรึกษาหารือกันในปัญหาเฉพาะหน้าดีกว่า อย่างน้อยที่สุดฉันก็อยากรู้ว่านับตั้งแต่เราออกเดินทางมาจากจุดหมายเริ่มต้นจนกระทั่งถึงเดินพระจันทร์นี่มันเป็นเวลานานเท่าไหร่แล้วมีใครจดบันทึกหรือนับวันไว้บ้างหรือเปล่าตั้งแต่วิทยุเครื่องใหญ่ใช้ไม่ได้ขายการติดต่อกับพอบักคับการมาโดยตลอดฉันก็ลืมบันเวลาซึ่หมดแล้วเหตุการณ์มันฉุกเฉินวิกฤตมาตลอดทุกระยะจนลืมอะไรต่ออะไรไปหมดคำพูดของคิดทําให้ทุกคนเริ่มคิด แล้วก็พบกับความประหลาดใจมึนงงกันอยู่เงียบเงียบของภายในแต่ละคนเพราะมันเป็นความจริงตามที่คิดเปรยถามขึ้นมาทุกอย่างนั่นก็คือตั้งแต่เริ่มออกเดินทางกันมาโดยเริ่มต้นจากสถานีกักสัตว์หนองน้ำแห้งของระพินมาจนถึงเดี๋ยวนี้นั้นเป็นเวลากี่เดือนกี่วันเข้ามาแล้ว นาฬ hmm, ิกาเดินป่าที่ติดอยู่กับข้อมือของแต่ละคนอ่านบอกได้เฉพาะวันเวลาในปัจจุบันเท่าที่มันจะบอกได้แต่ทุกคนหลงลืมวันแห่งการเริ่มต้นออกเดินทางเพราะนั่นไม่ใช่สาระสำคัญที่ใครในคณะจะต้องมาเสียเวลาเอาใจใส่อยู่เนื่องมาจากต่างมุ่งหวังอาศัยศูนย์บังคับควบคุมการเดินทางซึ่งสามารถติดต่อกันทางวิทยุได้อยู่แล้ว ครั้นเมื่อวธิยุติดต่อกับศูนย์บังคับการไม่ได้ทุกอย่างก็ย่อมชะ ง, งักไปหมดประกอบกับวันและคืนที่เต็มไปด้วยความเหนื่อยยากลําเค็นชนิดจะเอาชีวิตกันไม่รอดการเสี่ยงและประจันหน้ากับพยันตรายทุกรูปแบบจนนับไม่ถ้วนกลางวันเป็นกลางคืนหรือกลางคืนเป็นกลางวันสลับกันอยู่เช่นนี้ทําให้เกิดความยุ่งเหยิงสับสนหลงลืมกันไปหมด ไม่มีใครมากําหนดจุดจําหรือนั่งนับวันกันอยู่นอกจากจะคิดว่าตื่นลืมตาขึ้นมาแต่ละครั้งยังมีลมหายใจอยู่ก็แปลว่ายังมีชีวิตอยู่เท่านั้นทุกคนมีความรู้สึกตรงกันอย่างเดียวว่ามันเป็นช่วงระยะเวลาที่ยาวนานหรือเกินเท่าที่ร่วมทางกันมาเหมือนจะเป็นเส้นทางสายที่เดินร่วมกันมาตลอดชีวิตก็ไม่ปาน สเตนลีย์ดูเหมือนจะบ่นอะไรกับตนเองอุบอิบในลาคอพยายามจะยกนาฬิกาข้อมือขึ้นดูวันที่แต่มันก็ไม่ช่วยอะไรเข้าขึ้นมาได้เลยตราบใดก็ตามที่ไม่สามารถจําได้ว่าการเริ่มต้นได้เริ่มแต่วันไหนเชิดวุฒเองขณะนี้ก็กําลังคิดลำดับวันที่อย่างวกวนคริสเงียบเฉยเป็นปกติส่วนเบลยักไหลบอกว่า ฉันมีความรู้สึกแต่เพียงว่าฉันได้เดินตามหลังพรานนำทางที่ชื่อระพินไพรวันมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งศตวรรษและช่วงระยะเวลาระหว่างนี้ได้ตายไปแล้วและเกิดใหม่อยู่หลายหนพวกเราไม่ได้เฉลียวคิดกันมาก่อนถึงเรื่องนี้เพราะคิดว่าจะต้องสามารถติดต่อกับศูนย์ควบคุมการเดินทางได้ตลอดเวลาสเนลลีพึมพำออกมาต่าๆในลาคอพรางจุ๊ปากเบา จริงอย่างที่คิดพูดตอนนี้เรานึกกันไม่ออกแล้วว่าเราได้เดินทางกันมากี่วันแล้วจากเริ่มต้นมีใครพอจะจําได้บ้างไหมเชิดวุฒิคริสตินาในพันตรีหนุ่มแห่งกองทัพ บ, บกไทยเบปากผู้คุณเองยังไม่มีการบันทึกจดจําไว้แล้วผมจะจดจําได้ยังไงระยะเดินแท้จริงมันอาจไม่นานมานี้นะักแต่ในความรู้สึกแล้วมันนานเหลือเกิน นานจริงๆเพราะพวกเราเดินอยู่บนความทุกข์ยากทรมานขีดสุดเราแทบไม่รู้สึกว่ามันเช้าเมื่อไหร่มันค่ำตอนไหนหมดแรงเราก็ล้มตัวลงนอนบางทีก็สบสลายกันไปรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาก็แทบไม่รู้เวลามันผ่านไปแค่ไหนแล้วไดแต่มุ่งหน้าบากบัน่นฟันฝ่ากันต่อไปเหมือนตก อ, อยู่ในสภาพฝันร้ายวกวนสับสนตะเกียกตะกายแล้วก็สมสาร เหมือนอยู่ในนรกใครจะมาจำวันเวลาที่ผ่านมาได้ถ้าไม่มีการจดบันทึกไว้ก่อนว่าเราได้ออกเดินทางมาเมื่อวันที่เท่าไรเดือนไหนแล้วเอามาเทียบกับวันนี้คริสเธอพอจำได้บ้างไหมเรามาด้วยกันแล้ว2เดือน3เดือนหรือ 5-6 เดือนอเมริกันอาวุโสหันไปทางแม่นักเคมีฟิสิกส์สาวประจำคณะ หลอนทอดสายตาไกลออกไปยังดวงจันทร์ซึ่งบัดนี้ค่อยๆลอยตัวสูงขึ้นเหนือขึ้นมาจากทิวตะคุ่มของยอดเขาตามลําดับฉันเดินตามหลังชายคนนี้มานานหลายชาติแล้วหล่อนกระซิบแผ่วเหมือนจะกล่าวกับตนเองโดยไม่มีใครสำเนีกได้และก็ไม่ได้พูดอะไรอีกจึงดูเหมือนกับว่าหล่อนไม่ได้ตอบคาถามใดๆแกหัวหน้าคณะ ปล่อยให้สแตนลีย์ถามค้างอยู่เช่นนั้นแล้วผู้ที่ตอบคำถามเป็นที่กระจ่างชัดแก่ทุกคนก็กลายเป็นระพิน109วันพอดีครับนับจากที่เราเริ่มออกเดินทางวันแรกจนถึงวันนี้ความจริงมันก็ไม่นานอะไรนะักแค่สามเดือนครึ่งเท่านั้นแต่เราเหนื่อยกันเกินไปลำบากยากแค้นเกินไปจึงดูเหมือนกินเวลายาวนานมาก 109วันเท่านั้นเองหรือสแตนลีย์คิดและเบลอุทานออกมาพร้อมกันครับไม่คลาดเคลื่อนไปรอกเพราะผมทำบันทึกปูมเดินทางไว้ทุกระยะในระหว่างที่พวกคุณอาจไม่สนใจขอให้ผมได้ถามพวกคุณบ้างแต่แรกเมื่อตัดสินใจที่จะให้ผมนำออกเดินทางนั้นฝ่ายคุณคิดว่าจะใช้เวลาในการเดินทางนานสักเท่าไหร่ ผมคิดว่าอยู่ในระหว่างหนึ่งเดือนถึงไม่เกิน45วันไม่คิดว่าเราจะต้องเดินทางกันยาวนานกว่านี้แต่กลับปรากฏว่ายิ่งเดินระยะเวลามันก็ยิ่งยาวนานออกไปโดยหาขอบเขตไม่ได้สเสบียงกลางสัมภาระของรองต่างๆตรเตรียมมาในจำนวนเพียงไม่เกิน45วันเท่านั้นมันจึงถูกใช้หมดไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกสเสบียงอาหาร และเราไม่คิดเผื่อมาล่วงหน้าด้วยว่าเราจะมีอุปสรรคไม่สามารถติดต่อกับศูนย์บังคับการได้โดยมีความมั่นใจว่าจะอย่างไรเสียเราก็ยังติดต่อขอกำลังบำรุงจากทางอากาศได้ตลอดเวลาหากจำเป็นนั่นคือความจริงที่ฝ่ายอเมริกันเพิ่งจะเปิดเผยสารภาพออกมา ถ้าผมบอกพวกคุณเสียแต่แรกว่าการเดินทางครั้งนี้เป็นการเดินทางที่ไม่รู้อนาคตไม่มีระยะเวลาที่จำกัดแน่นอนตายตัวลงไปและทางฝ่ายคุณจะไม่สามารถติดต่อกับศูนย์บังคับการของพวกคุณได้เลยพวกคุณก็จะไม่มีวันเชื่อหรอกผมจึงไม่ได้พูดความจริงสิ่งนี้ออกไปเพราะให้เหตุการณ์มันปรากฏกับสายตาของพวกคุณเองดีกว่า แต่สำหรับผมแล้วการใช้เวลาเพียง109วันเพื่อเดินทางมาถึงเนินพระจันทร์จัดได้ว่าเร็วเกินคาดหมายเสียด้วยซ้ำทั้งๆ ท, ที่เราก็ไปมัวเสียเวลาด้วยกันกับอุปสรรคอื่นๆอย่างมากมายแต่ก็มีข้อที่พวกคุณควรจะสังเกตเอาไว้ด้วยโดยไม่จำเป็นต้องเก็บเอาไปคิดอะไรให้เปลืองสมองมากเข้าเว้นระยะหวเราะต่าลึกในลาคอ คิดถามมาทันทีเมื่อเห็นเขาทิ้งช่วงไปเฉยๆเหมือนไม่อยากจะพูดต่ออะไรหรือที่นายว่าเราควรจะตั้งเป็นข้อสังเกต109วันเป็นระยะเวลาที่ฉันได้จดบันทึกไว้ชนิดวันต่อวันที่เราออกเดินทางกันมาเราแบ่งระยะเวลาออกเป็นสองส่วน30วันหรือ1เดือนแรกเรายังเดินกันอยู่ในป่าดิบธรรมดา อันเป็นปากของโลกภูมิศาสตร์เวลามาตรฐานสากลมันก็คงเป็น30วันที่ผ่านไปอย่างเที่ยงแท้เมื่อเทียบกับเวลาของโลกภายนอกแต่อีกเจกว่าวันหลังมานี่เราเพิ่งล่วงล้ำเข้ามาสู่โลกอีกซีกส่วนหนึ่งซึ่งเป็นแดนสนธยาแล้วฉันยังไม่รู้เลยว่าเจสวันของเราในดินแดนนี้มันจะเป็นกี่วันกี่เดือนหรือกี่ปีของโลกภายนอก สมมติว่าเรามีโอกาสได้กลับออกไปสู่โลกภายนอกอีกครั้งการติดต่อกับโลกภายนอกของเราขณะ น, นี้ขาดตอนลงโดยสิ้นเชิงแล้วเราไม่รู้ว่าโลกภายนอกวันเวลาของเขาผ่านพ้นล่วงไปเท่าไหร่มันอาจเป็นไปได้ทั้งสองในคือถ้าไม่ล่วงผ่านไปนานเป็นปีๆก็อาจเป็นเวลาที่ผ่านไปอย่างสั้นๆเพียงไม่กี่วันของชาวโลกสุดแล้วแต่การเวลา ในซีกส่วนนี้จะฉุดเราไปสู่อดีตการหรืออนาคตการด้วยอัตราความเร็วขนาดไหนพวกนายคงจะแปลกใจกันมากหากสมมุติว่าเราได้กลับไปยังโลกภายนอกอีกครั้งแล้วพบว่าเด็กเล็กๆที่เราเคยเห็นอยู่กลายเป็นคนแก่หัวงอกไปหมดแล้วซึ่งนั่นหมายถึงว่าเราจากมาเพียงไม่กี่เดือนส่วนโลกภูมิศาสตร์ของเราใช้เวลาล่วงผ่านไปแล้วหลายสิบปี เฮ้ยเซ็กนายคิดร้องขึ้นดังลั่นสแตนลีย์เชิดวุดเบลและคิดหยุดชะ ง, งักการเดินพากันหันขวับมาจ้องเขาเป็นตาเดียวในลักษณะตกใจตะลึงพระพินคุณนึกยังไงขึ้นมาถึงเกิดมีอารมณ์ขันขึ้นในตอนนี้หัวหน้าคณะถามออกมาแผ่วเบาที่สุดขณะที่จ้องหน้าเขาเขมิง บรรยากาศของพวกเรามันเครียดมาตลอดก็ขอให้ผมมีอารมณร์ขันบ้างสิบอกแล้วตะกี้ว่าไม่จำต้องเก็บไปคิดให้เปลืองสมองอีกฝ่ายหนึ่งมองมาหน้าตาเฉยแสงจันทร์สาดเข้ามาที่ดวงตาทั้งคู่และมีพรายยิ้มล้อเลียนเต้นระยับอยู่ขณะนั้นทุกคนได้เดินขึ้นมาถึงใจกลางของเนินพระจันทร์แล้ว ห่ามกลางกระแสลมเย็นเฉียบที่พัดผ่านกายจนสั่นสะท้านคุนเขาพระศิวะอันมหึมาแลเห็นเป็นเงาตะคุ่มสลับแถวริบบิ้นสีเงินไปแต่งแต้มไว้ภูมิประเทศอันเป็นทิวเขารอมรอบที่ราบสูงแห่งนี้เล่าก็แลเเป็นเส้นเงาสูงๆต่ำๆอยู่ทั่วไปดูคลุมเครือเงียบสงัดได้ยินแต่เสียงกระแสลมเย็นพัดผ่านยอดหญ้า และกิ่งใบของสนภูเขาที่ยืนเรียงรายเป็นทิวอยู่บนเนินด้านบนขึ้นไปเท่านั้นมันเป็นธรรมชาติยามราตรีที่สวยสดงดงามลึกล้ำเหนือกว่าทุกแห่งแหล่งที่ซึ่งทุกคนได้ผ่านพบกันมาแล้วเหมือนจะเป็นอุทยานสวรรค์ที่เทพเจ้าบันดานขึ้นฉะนั้น แต่ยามนี้ไม่มีใครคนใดของฝ่ายนายจ้างอเมริกันจะหันไปให้ความตื่นตาตื่นใจกับสภาพแวดล้อมอันวิจิตพิสดารนั้นเพราะประโยคคำพูดอันแฝงไปด้วยปริศนาหน้าคิดของมักคุเท์ผู้ยิ่งยงซึ่งทุกคนฝากชีวิตไว้กับเขาเพียงคนเดียวสิ่งที่ทำให้ต้องคิดกันหนักก็เพราะชายผู้นี้มักจะไม่พูดหรือพูดน้อยแต่ถ้าเขาพูด จะไม่พูดในสิ่งที่ไร้สาระหรือพูดมดเท็จฉันพิเคราะหไม่ถูกเลยว่าครูแกล้งพูดเล่นหรือพูดจริงในที่สุดแม่นักเคมีฟิสิกสาวก็ทําลายความเงียบของฝ่ายตนทุกคนขึ้นดูพวกคุณจะมีความกังวลกันมากหรือเกินในสิ่งที่ผมพูดเล่นแบบไร้สาระไม่มีอะไรเล่นและไม่มีอะไรไร้สาระสําหรับคนอย่างรพินไพร์วันคริส พูดเน้นเสียงช้าๆชัดเจนเมื่อบ่ายวันนี้ก่อนที่เราจะเดินจากหน้าผาลงมาสู่เนินพระจันทร์แห่งนี้เราเห็นกับตาทุกคนว่าการเวลามันหยุดนิ่งเป็นการหยุดจริงๆไม่ใช่หยุดเฉพาะนาฬิกาของเราอย่างเดียวเท่านั้นนั่นหมายถึงตะวันหยุดการเคลื่อนที่เมฆหยุดลอยสพรพสิ่งในบริเวณนี้ทั้งหมดหยุดชะ ง, งักไปเหมือนภาพนิ่ง มีแต่พวกเรา2ี่บชีวิตที่มาด้วยกันที่นี่เท่านั้นที่ยังเคลื่อนไหวกันอยู่และเป็นการเคลื่อนไหวเพื่อชวยโอกาสลงมาให้ถึงเนินพระจันทร์ให้เร็วที่สุดตามข้อแนะนำของคุณนั่นเองโดยให้เหตุผลว่าถ้าการเวลามันไม่หยุดให้เราวันนี้เราจะลงมาไม่ถึงเนินพระจันทร์และพรุ่งนี้เราอาจไม่ได้พบตาแหน่งเนินพระจันทร์อีกนี่คือความมหัศจรรย์ที่พวกเราทุกคนได้พบเห็นมาแล้ว ทีนี้เมื่อการเวลาหยุดนิ่งลงจะโดยเพราะอะไรก็ตามทีเถอะมันได้หยุดลงเฉพาะซีกส่วนนี้เท่านั้นส่วนเวลาของโลกภายนอกออกไปหรือโลกเบื้องหลังที่เราได้พระจากมาแล้วนั้นไม่ได้หยุดตามไปด้วยมันคงดำเนินต่อไปตามปกติของ universal time หรือเวลาแห่งจักรวาล นี่ก็ย่อมเป็นส่วนหนึ่งที่น่าจะพิสูจน์ให้เห็นได้ชัดแล้วว่าการเวลาของเราตอนนี้มันได้แตกต่างออกไปจากการเวลาของโลกภายนอกแล้วขอให้ฉันถามครูสักนิดว่าโดยแท้จริงจากหน้าผาสูงที่เราเดินลงมาถึงเนินพระจันทร์นั้นพวกเราใช้เวลากันทั้งหมดประมาณสักเท่าไหร่แล้วคุณว่าสักเท่าไหร่ล่ะราวสองชั่วโมงครึ่ง ถึงสามชั่วโมงได้ไหมหลอนหันไปถามพพวกคนอื่นๆสแตอลี่คีดและเบลพยักหน้ารับใช่ก็เรานั่นแหละก็แปลชัดแล้วว่าโลกภายนอกได้ล้ำหน้าไปแล้วสองชั่วโมงครึ่งหรือสามชั่วโมงในขณะที่โลกของเราที่นี่ยังนิ่งอยู่กับที่แต่วันเริ่มเคลื่อนที่ อันหมายถึงเวลาเริ่มเดินหน้าอีกครั้งเมื่อเรามาถึงเนินพระจันทร์เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นอย่างน้อยที่สุดเวลาของเราที่นี่เดี๋ยวนี้ก็ต้องช้ากว่าโลกภายนอกไปเท่ากับระยะเวลาที่ได้หยุดไปนั่นแหละถูกต้องไหมจอมพราเลิกคิวขึ้นนิดหนึ่งแต่เข้าหน้าและอาการยังคงเป็นปกติอยู่เหมือนเดิมก็ไม่ควรจะถามผมถามพวกคุณกันเองดีกว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณก็เป็นนักฟิสิกส์อยู่ด้วยตัวเองแล้ว ม, มันน่าจะเป็นไปได้มากทีเดียวในสิ่งที่คุณอ้างว่าคุณพูดเล่นสแตนลีย์เอ๋ยขึ้นด้วยน้ำเสียงแปลงพราพรางพยักหน้าอยู่เนิบเนิบมันอาจเหมือนกับที่เราเดินทางออกนอกโลกด้วยยานที่มีความเร็วเท่ากับแสงนั่นแหละระยะที่เราเดินทางออกไป เวลาของเราอาจใช้เพียงไม่กี่ชั่วโมงหรือไม่กี่วันแต่ถ้าเราย้อนกลับมายังโลกการเวลาของโลกมันอาจผ่านพ้นไปเป็นพันๆปีแล้วก็ได้ส่วนการเดินทางภายใต้การนำของคุณในครั้งนี้แม้จะไม่ได้ไปด้วยยานพาหานะาใดาแต่เราก็ต้องยอมรับว่าเราไปกันด้วยภาวะอันเป็นสิ่งเหนือโลกไปด้วยอำนาจจิต อันเป็นญานบารมีเฉพาะตัวของคนนำทางซึ่งโดยผลแห่งอิทธิอำนาจพิเศษชนิดนั้นทำให้ระยะทางถูกย่นเข้ามาทำให้การเวลาเปลี่ยนแปลงไปและเราได้ล่วงล้ำเข้ามาถึงดินแดนส่วนหนึ่งอันมนุษยชาติทั่วไปไม่สามารถจะเดินทางมาถึงได้เพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถกลับออกไปสู่โลกภายนอกได้อีกครั้งเวลาของเรากับเวลาของโลกภายนอก ต่างกันแน่ๆคุณไม่ได้พูดเล่นเสร็จแล้วรับพินแต่คุณพูดในเรื่องจริงที่ครั้งแรกเราคิดไปไม่ถึงพรานใหญ่เอื้อมมือมาจับแขนนายจ้างของเขาไว้บีบเบาๆผมไม่น่าจะพูดอะไรให้พวกคุณต้องคิดมากในเรื่องนี้เลยแล้วก็ไม่อยากให้พวกคุณต้องมีภาระกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยทําใจให้สบายเถอะครับ ถึงอย่างไรการเวลาของเรากับโลกภายนอกก็จะไม่ทิ้งห่างกันจนเป็นที่ผิดปกติอะไรมากนักหรอกถ้างั้นขอถามอะไรสักอย่างหนึ่งนายจะตอบตามตรงได้ไหมคิดเอ่ยพลงออกมาโดยเร็วภายหลังจากนิ่งงงอยู่นานถ้าชันจะโกหกก็แปลว่าฉันจะต้องมีเหตุผลของชันคิดเอาละถามมา นายเคย น, นำทางคณะนายจ้างเก่าไปตามคนหายโดยผ่านเข้ามาในดินแดนแห่งนี้แล้วก็ตามตัวกลับออกไปได้ตามที่ปรากฏเป็นข่าวถูกต้องไหมถูกต้องนายใช้เวลาเดินทางไปกลับนานเท่าไหร่และเมื่อกลับออกมาถึงโลกภายนอกแล้วระยะเวลาจากโลกภายนอกมันผิดแปลกแตกต่างกันออกไปเท่าไหร่คิด ตั้งแต่คบกันมานี่ฉันเพิ่งจะเห็นหนายตั้งคำถามอย่างคนฉลาดครั้งนี้เป็นครั้งแรกเขาตอบปนหัวราอบเบาๆเอาละเมื่อนายถามตามตรงฉันก็จะบอกให้ตามตรงเหมือนกันเรานับวันเวลาไปและกลับของเราใช้เวลาเจดเดือนเศษแต่เมื่อกลับออกมาถึงโลกภายนอกปรากฏว่าโลกเขาได้มีการเวลาล่วงเลยผ่านไปแล้วสบสี่เดือนเศษ หมายถึงว่าโลกภายนอกุดหน้าตามปกติไปแล้วหนึ่งเท่าตัวของเราทั้งหมดตะลึงนิ่งงานกันไปอีกครั้งเวลาที่มันขาดหายไปครึ่งหนึ่งนี่มันไปเกิดขึ้นที่ไหนในที่สุดเบลก็ถามมาด้วยความรู้สึกอันไม่อาจบรรยายถูกระพินบุยปากไปทางเทือกพระศิวะอันกำลังอาบแสงจันทร์อยู่ในขณะนี้โนนในมรกรนคร ดินแดนหลังเทือกพระศิวะโน้นเป็นสถานที่ซึ่งยืดการเวลาของเราให้เนิ่นช้าลงแต่เราไม่รู้สึกตัวกันเลยว่ามันช้าอย่างไรลักษณะไหนเพราะชีวิตการเป็นอยู่วันเวลาในดินแดนนั้นก็เป็นปกติทุกอย่างจนทำให้เราสำเนียกไม่ได้ก็ยังโชคดีอยู่ในข้อที่ว่าในการล่วงล้าเข้าไปในครั้งนั้นการเวลามันช้าลงไปเพียงแค่เท่าตัวเท่านั้น จึงเมื่อออกมายัางโลกภายนอกแล้วผู้คนที่รอคอยเราอยู่ด้านหลังไม่ได้รู้สึกผิดปกติอะไรนะักเราไปกันเจเดือนเศษเขาว่าเราไปกัน14เดือนเศษก็ไม่แตกต่างกันสักเท่าไหร่ปฏิทินวันเวลาของพวกเราภายหลังจากกลับมาถึงบ้านต้องยกเลิกและปรับเทียบเวลาใหม่หมดเพื่อให้ตรงกับโลกภายนอกเขา พวกเราทุกคนที่ไปในครั้งนั้นไม่มีโอกาสที่จะปริปากพูดบอกสิ่งใดที่เราเผชิญพบเห็นแก่โลกภายนอกเพื่อให้เขามาเข้าใจกับเราได้เลยนั่นดีที่ว่าการเวลามันแตกต่างกันแค่เท่าตัวแล้วเราก็เดินทางในระยะเวลาที่สั้นๆถ้ามันเกิดแตกต่างกันสิบเท่าตัวเรากลับมาเราจะกลายเป็นมนุษย์ประหลาดซึ่งมาจากโลกอื่นไปแล้วสําหรับ โลกของเราเองที่เราเคยอยู่เราคงจะมีประวัติบันทึกหลงเหลือให้เรากลับมาอ่านพบถึงเรื่องราวของพวกเรากันเองได้ว่าคณะของพวกเราได้หายสาบสูญไปแล้วเรื่องแปลกประหลาดมหศัศจรรย์อีกเรื่องหนึ่งที่คุณเพิ่งจะมาเปิดเผยให้พวกเรารู้เอาเดี๋ยวนี้ซึ่งเป็นการดีมากที่เราจะได้มีโอกาสรู้ล่วงหน้าเตรียมตัวเตรียมใจไว้ก่อน สเตนลีย์กล่าวขึ้นด้วยอาการไข้ครวนหนักยังเต็มไปด้วยแววชงนแล้วคุณคิดว่าการที่เราจะพยายามล่วงล้ำเข้าไปในดินแดนนั้นเราจะถูกอำนาจของมันผันเปลี่ยนการเวลาอย่างที่คุณเคยประสบมาแล้วเข้ามาครอบครุมเราอีกหรือไม่จะมีอัตราห่างกันหนึ่งเท่าตัวน้อยกว่านั้นหรือมากกว่านั้นอย่างไรรับเพนถอนใจลึกโครงศรีรษะแช่มช้า นี่เป็นเรื่องที่ยากจะเดาหรือคาดคะเนได้ผมทำได้ก็เพียงบอกถึงเหตุการณ์และประสบการณ์ที่ผมเคยพบมาเพื่อให้พิจารณากันเท่านั้นระยะเวลาที่เคยแตกต่างกันหนึ่งเท่าตัวมันจะเป็นอัตราส่วนที่แน่นอนตายตัวลงไปหรือมันจะผันเปลี่ยนแตกต่างกันไปอย่างไรหรือไม่เป็นสิ่งที่คาดหวังไม่ได้มันพ้นสติปัญญาความคิดของผม ถ้ามันห่างกันหนึ่งเท่าตัวอย่างเดิมก็คงไม่มีปัญหาอะไรนะักสำหรับการจะกลับออกไปสู่โลกภายนอกของเราแต่ถ้าเกิดมีปรากฏการณ์ที่เหลื่อมล้ำผิดปกติออกไปมากเช่นห่างกันสิบเท่าตัวหรือร้อยเท่าตัวการกลับออกไปสู่โลกภายนอกของเราก็คงจะยุ่งยากพิลึกเพราะเท่ากับเราย้อนกลับไปพบกับโลกแห่งอนาคต ซึ่งห่างจากตัวเราในเวลานี้ออกไปร้อยปีหรือพันปีทีเดียวแล้วเราก็จะกลายเป็นมนุษย์โบราณตัวประหลาดสําหรับพวกเขาทั้งหลายดีสิดีมากๆด้วยฉันจะได้กลับออกไปสู่โลกภายนอกในสภาพที่ยังคงความสาวอยู่เช่นนี้ในขณะที่ผู้หญิงรุ่นเดียวกับฉันมาพากันตายแก่ไปหมดแล้วน่าตื่นเต้นดีออก เบลร้องออกมาเบาๆพร้อมกับหัวราอคิกดูหล่อนไม่รู้สึกอาทรร้อนใจอะไรนะักต่างกว่าคริสซึซ่งขณะนี้กำลังอยู่ในภาวะขบคิกไครครวนอย่างหนักกระแสะลมอันเย็นยะเยือกพัดพลิ้วผ่านกายของแต่ละคนจนต้องยืนห่อไหล่สทานสันเดินยิ่งลอยสูงพ้นเหลี่ยมเขาขึ้นมาทุกขณะส่องแสงสว่างไปทั่ว ทั้งหมดยืนกันอยู่เป็นกลุ่มในกลางเนินอันกว้างใหญ่ของทุ่งหญ้าอันโลง่งปราศจากแมกไม้ใดๆบังทั้งสิ้นรพินยามนี้หันหน้าไปทางทิศตะวันออกอันแลเห็นซสีของเขาส่วนหนึ่งแบ่งส่วนแยกออกจากทิวใหญ่เหมือนจะถูกแยกโดดเดี่ยวออกไปโดยเฉพาะขณะนี้แลเห็นเงาตะคุ่มอยู่กลางแสงเดือนสันฐานอวบที่บริเวณส่วนโคนและ เร็วสูงขึ้นไปอย่างยอดส่วนปลายสายตาของเขาจับนิ่งอยู่ที่เรียวเขาสูงตำแหน่งนั้นอย่างพิเคราะห์ทั้งคณะต่างพากันเงียบไปชั่วขณะแล้วฝ่ายนายจ้างทุกคนก็กำลังจับมองอาการอันเยืนสนิทนิ่งของเขาพยายามอ่านความรู้สึกภายในมีอะไรที่ทำให้คุณต้องคิดหนักอยู่ในขณะนี้หรือ โดยเฉพาะที่แท่งหินโดดเดียวที่ตั้งตระหง่านอยู่นั่นในที่สุดสแตนลีย์ก็เอ่ยขึ้นด้วยเสียงตำ่ำพรานใหญ่ยกมือขึ้นคีบสันจมูกก้มหน้าลงหลับตาชั่วขณะหนึ่งแล้วเงยขึ้นอีกครั้งเพ่งสายตาจับไปยังจุดหมายเดิมครับผมยอมรับว่ากำลังคิดหนัก เมื่อพิจารณาไปที่แท่งหินสูงใหญ่ที่แยกส่วนออกจากทิวเขาที่เราเห็นอยู่ในขณะนี้และนี่ก็เป็นสาเหตุให้ผมเชิญทุกคนขึ้นมาที่นี่ในวันนี้เพื่อจะเรียนความจริงบางประการให้ทราบพร้อมทั้งขอปรึกษาหารือด้วยอย่าลังเลที่จะบอกให้พวกเรารู้ในข้อปัญหาหนักใจของคุณพวกเราทุกคนกำลังรอรับฟังอยู่สแตนลีย์บอกมาในทันที และคิดก็เสริมอีกคนโดยเร็วว่าหมดเวลาที่เราจะต้องปิดบังอะไรกันอีกแล้วเพื่อนยากมีอะไรว่าไปเลยเมื่อครั้งที่ผมนำนายจ้างคณะกรนมาถึงที่นี่หมายถึงเนินพระจันทร์แห่งนี้ผมได้มาตามคำสั่งของลายแทงโบราณเขาพูดช้าชัดเจนน้ำเสียงเบาแต่ได้ยินไปทั่วทุกคนที่แวดล้อมอยู่ในขณะนี้ ซึ่งกาลังเปิดโสดกว้างเตรียมรับฟังข่าวอยู่แล้วอย่างใจจิตใจจอ่อตามลายแทงนั้นกําหนดให้เรามาถึงนี่ในเดือนพฤศจิกายนและต้องตรงกับวันขึ้นห้าค่ำเราได้เดินทางมาถึงก่อนหนึ่งวันและพักอยู่ในตำแหน่งที่พวกเราได้พักอยู่ขณะนี้เพื่อรอคืนของวันรุ่งขึ้นอาจจะเป็นคืนของเดือนข้างขึ้นห้าค่า เมื่อเรามาเราก็ต้องมาเผชิญกับปัญหาหนักในข้อความที่กําหนดไว้เป็นปริศนาว่าปิณพระศิวะฉายแสงขึ้นเมื่อใดทันพระอุมาจะปรากฏให้เห็นจงไต่ขึ้นไปตามทันพระอุมาซีกซ้ายอาจจะทําให้บรรลุถึงต้นทางแห่งถนนพระศิวะพวกเรามืดมนกันไปหมดไม่อาจรู้ได้ว่าปินพระศิวะคืออะไรและจะฉายแสงขึ้นเมื่อใด ขันพระอุมาเป็นอะไรอยู่ทางด้านไหนน่าสนใจมากแล้วยังไงต่อไปอเมริกันอาวุโสศักไม่ยอมให้เขาหยุดชะงักตกเวลาค่ำพวกเราทั้งหมดได้เคลื่อนย้ายจากที่พักริมฐานน้ำขึ้นมารวมตัวกันอยู่บนเนินพระจันทร์เพื่อรอดูว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นในลักษณะไหนอย่างไรตลอดเวลา ก็ช่วยกันคิดค้นปริศนาลายแทงนั้นไปด้วยเราเห็นพระจันทร์ข้างขึ้นห้าคำ่ำลอยตัวอยู่กลางท้องฟ้าเมื่อตะวันตกดินไปแล้วพวกเราพินิจ ด, ดูพระจันทร์เป็นรูปเซี่ยวและพยายามตีปัญหาลายแทงไปต่างๆพวกคุณต้องเข้าใจเสียก่อนว่าพระศิวะนั้นเป็นเทพเจ้ายิ่งใหญ่ที่สุดผู้รักษาจั ก, กรวาลทั้งหมดตามลทัทธิของพราหมณ์และฮินดูและพวกเราคนไทย ก็จะได้รับอิทธิพลความเชื่อถือตามลทัทธิพราหมณ์สืบทอดมาอีกทีหนึ่งเป็นที่ทราบกันอยู่ว่าปิ่นของพระศิวะที่เสียบประดับอยู่เหนือเศียรนั้นก็คือจันเซียวและเป็นจันเซียวขนาดพอดีกับพระจันทร์ขึ้นห้าค่ำที่เราเห็นกันอยู่ในคืนนั้นเราฉกใจคิดขึ้นมาได้เป็นเงาๆบ้างเหมือนกันว่าจันทร์ขึ้นห้าค่ำที่เราเห็นนั่นแหละน่าจะเป็นปิ่นพระศิวะ ที่ระบุบอกไว้ในลายแทงแต่เราก็ไม่สามารถจะมองเห็นอะไรได้มากไปกว่าวงพระจันทร์เสี้ยวที่ลอยอยู่บนท้องฟ้าซึ่งก็ค่อยๆเคลื่อนไปทางตะวันตกทีละน้อยตามการเวลาที่ผ่านไปเราได้เฝ้ารอคอยกันต่อไปเวลาก็ผ่านไปตามลำดับจันทร์เสี้ยวที่เราคิดว่าควรจะเป็นปิ่นพระศิวะไม่ได้มีแสงอะไรมากมายนะักและเราก็มองไม่เห็นถันพระอุมา ว่าจะปรากฏอยู่ยังที่ใดตำแหน่งไหนในที่สุดแห่งการรอคอยอย่างมืดมนในปัญญาความคิดของเราจันเซี่ยวก็คล้อยต่ำไปทางตะวันตกทุกขณะเราจับตาดูจันเซี่ยวตลอดเวลากระทั่งขอบเซี่ยวส่วนหนึ่งของดวงจันก็ลอยต่ำลงมาแตะติดกับยอดเขาที่แยกตัวสูงเด่นะลูดลูกนั้นลูกที่พวกเรากาลังพิจารณาดูอยู่ขณะนี้แหละ ขณะนั้นมันเป็นเวลาประมาณสามทุ่มเศษแล้วสิ่งมหัศจรรย์ที่สุดอีกชนิดหนึ่งในชีวิตของพวกเราทุกคนก็พลันบังเกิดขึ้นทันทีผู้คุณเดากันถูกไหมครับสิ่งมหัศจรรย์ที่ผมว่านี้มันคืออะไรมันเกิดอะไรขึ้นอย่างไรหรือทุกคนของฝ่ายนายจ้างและแม้แต่เชิดวุฒได้ร้องถามขึ้นเป็นเสียงเดียวพร้อ ม, อมกัน พอจันเซี่ยวห้าค่ำของคืนนั้นแตะยอดเขาจอมพรานกล่าวด้วยเสียงแช่มช้าชัดเจนของเขาตายังคงมองจับนิ่งอยู่ที่เป้าหมายเดิมสิ่งที่พวกเราไม่คาดฝันหรือคิดไม่ถึงมาก่อนก็พลันบังเกิดขึ้นทันทีนั่นก็คือหินสองก้อนนั้นปรากฏแสงสว่างเรืองรองขึ้นทันทีมันเจิดจ้าจะัดไปหมดทั่วปริมณฑล ภาพที่เคยเห็นภูเขากลับกลายเป็นเทวรูปมะหึมาของพระศิวะเทพขึ้นในลักษณะประทับนั่งอยู่บนแทน่นบนเสียบที่มุ่นกล้าไว้ด้วยเส้นเกษาประดับด้วยจันทร์เซี่ยวเป็นปิ่นและปิ่นที่เป็นจันทร์ก็คือเซี่ยวของจันทร์บนท้องฟ้าที่เคลื่อนลงมาแต่นั่นเองเซี่ยวของจันทร์อันลอยลงมาประดับกลายเป็นปิ่นของพระศิวะ ก็ยิ่งแผ่แสงแผ่รัศมีกว้างไกลไปทั่วสว่างไปตลอดทั้งเชิงเทือกเขาพระศิวะทั้งหมดเป็นที่น่ามหัศจรรย์มากโอ้กอดคุณหมายถึงมีปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเกิดขึ้นเช่นนั้นหรือระหว่างที่ฝ่ายนายจ้างทั้งหมดพา ก, กันตะลึงอยู่สแตนลีย์ร้องลั่นออกมาลืมตาโพลงจะเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ หรือจะเป็นด้วยอภินิหารมหิติอำนาจใดๆก็สุดที่จะเดาได้แต่พวกเราในขณะนั้นเผชิญพบเห็นพร้อมกันหมดทุกคนต่างร้องเอะโวยวายชี้กันให้ดูเทวรูปพระศิวะอันใหญ่มหือมาสูงอย่างฟ้าที่ปรากฏให้เห็นนั้นเวลาเดียวกันที่พวกเราหันกลับไปทางเชิงเขาเทือกพระศิวะอันอยู่อีกด้านหนึ่งระพินหันกลับ แล้วชี้มือไปอยังเทือกของขุนเขาใหญ่ที่เลือนลางอยู่ด้วยลำยองแสงเดือนในขณะนี้ทำให้ทุกคนเหลียวมองตามรถทั้งหมดก็มองเห็นแถบเส้นทางของหิมะที่ตกปกคลุมเชิงเขาอยู่ขาวโพลนสว่างสว่ไปหมดและสูงเหนือเนินขึ้นไปเราได้เห็นเป็นภาพลักษณะเหมือนทรงอกของสตรีอยู่บนยอดบริเวณหนึ่งประกอบด้วยเนินเต้าถันทั้งสองซ้ายและขวา ตรงกลางเป็นร่องเหมือนร่องกลางสวงอกมันปรากฏเป็นความจริงตามที่ลายแทงได้บอกไว้หมดทุกอย่างคือเมื่อปิ่นพระสิวะฉายแสงขึ้นเมื่อใดทันพระอุมาจะปรากฏให้เห็นในขณะนั้นพวกเราทุกคนสางจากตะลึงและได้มองเห็นชัดแจ้งแล้วเห็นทั้งสิวะเทพที่เพิ่งปรากฏองค์ขึ้นอย่างกระทันหันเห็นปิ่นที่ปักบนเส้นแกสาของพระองค์ แผดแสงสว่างเรืองโรดและก็เห็นเตาถันพระอุมาอันแท้ที่จริงก็คือกลุ่มก้อนของภูเขาหิมะที่ปกคลุมอยู่บนยอดตอนหนึ่งของเทือกเขาปรากฏตามคำบอกเล่าในลายแทงทุกอย่างผมในฐานะมคุเทศนำทางได้ฉวยโอกาสนั้นในทันทีโดยไม่ยอมปล่อยเวลาให้ผ่านไปแม้แต่นาทีเดียวสั่งให้ทุกคนของพวกลูกหาบและพวกนายจ้างที่เตรียมพร้อมอยู่แล้ว ออกเดินทางจากตำแหน่งเนินพระจันทร์ที่เราขึ้นมาชุมนุมกันอยู่ในเวลานั้นตัดทางบ่ายหน้าย่ำลอยไปตามหิมะบนเชิงเขาและมุ่งหน้าเข้าหาเต้าฐานซีกซ้ายตามลายแทงบอกไว้โดยไม่รอช้าเราทุกคนในขณะนั้นเร่งรีบรุดหน้าไต่หิมะกันขึ้นไปอย่างรวดเร็วที่สุดไม่ได้เห็นแกเน็ดเหนื่อยเลย แสงสว่างราวกับอาบไว้ด้วยสีทองสานกระจ่างไปทั่วทุกหนทุกแห่งยิ่งกว่าเวลากลางวันเสียอีกเป็นแสงที่อ่อนเรืองนุ่มตาที่สุดและคงสว่างสองทางให้แก่เราอยู่เช่นนั้นตลอดระยะทางที่เรารีบพากันไต่ขึ้นไปเมื่อเลี้ยวหลังกลับมามองที่องค์เทวรูปที่ปรากฏขึ้นอย่างพิสดานนั้นเราทุกคนก็ยังเห็นพระองค์ประทับอยู่ณที่เดิมปีนจันเซียวคงปรากฏแสงสว่างสวยอยู่เหมือนเดิม และปิ่นอันเป็นพระจันทร์เสี้ยวของทองฟ้าก็ยังลอยมาแตะติดพอดีกลายเป็นปิ่นปักเกศาของพระองค์อยู่เช่นนั้นโดยไม่ได้เคลื่อนคล้อยต่าลงไปอย่างใดทั้งสิ้นทำให้เราแน่ใจว่าการเวลาได้หยุดนิ่งลงอีกครั้งหนึ่งเพื่อเปิดทางขึ้นให้แก่เราเพราะถ้าการเวลาผ่านไปตามปกติตามระบบจากราศีจันทร์เสี้ยวจะต้องเคลื่อนตัวลอยต่าจากขอบยอดเขาลูกนั้นลงไป ซึ่งถ้าจันทร์เกิดลอยต่ำลับตาไปเขาลูกนั้นก็ย่อมจะไม่เป็นภาพของพระสิวเจ้าให้เราเห็นอีกต่อไปแล้วแต่นี่เซี่ยวจันทร์ภายหลังจากแตะติดนิ่งแปลสภาพเป็นปิ่นของพระองค์ไปแล้วก็คงที่อยู่เช่นนั้นเป็นเวลานานเพื่อสองทางและชี้เป้าหมายให้เราเห็นเรากะากันว่าได้ใช้เวลาถึงสี่หรือห้าชั่วโมงเต็มๆที่พยายามไต่รุดกันขึ้นไป จนกระทั่งถึงเนินถันซีกซ้ายตรงเป้าหมายแล้วนั่นแหละดวงจันทร์เสี้ยวจึงรับดวงบังเหลี่ยมขาวไปรูปพระศิวะอันตรธานแสงสว่างทั้งหลายอันเป็นปรากฏการธรรมชาติก็สิ้นสุดลงแต่มันก็ไม่ก่อนหน้าที่จะช่วยชี้ทางให้เราบรรลุถึงเป้าหมายที่แน่นอนแล้วใกล้รุ่งของคืนนั้นเราได้เข้าไปอาศัยหลบอยู่ในโพรงถ้าเล็กๆแห่งหนึ่ง บนฐานซีกซ้ายที่เรามองเห็นอยู่ซึ่งมันก็ไม่ห่างจากถนนพระศิวะสักเท่าใดนะักเมื่อได้พักกันในโพรงถ้มนั้นรอเวลารุ่งเช้าเราก็เหยียบขึ้นถึงถนนพระศิวะได้สำเร็จครับนี่ก็คือเหตุการณ์ในครั้งนั้นที่ทำให้ผมหาทางเข้าไปสู่ดินแดนลี้ลับมรกรนครได้ทุกคนในคณะฟังอยู่ในลักษณะแทบลืมหายใจถ้าเช่นนั้นฉันคิดว่า ฉันพอจะเดาใจหรือเดาความรู้สึกของครูในขณะนี้ออกแล้วคริสเอ่ยขึ้นด้วยเสียงลึกของหล่อนจ้องหน้าเขาขมิงด้วยประกายตาอันชานฉลาดการที่ครูมาพบกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติหรือทางอิทธิปาฏิหาริย์อะไรก็ตามซึ่งเกิดขึ้นที่นี่มันจะต้องเป็นคืนที่จําเป็นต้องตรงกับข้อกําหนดเจาะจงของลายแทงด้วยใช่ไหมฉนี้จะคลาดเคลื่อนไม่ได้เลย หมายถึงว่าภายในปีหนึ่งย่อมมีอยู่คืนเดียวเท่านั้นคือคืนขึ้นห้าค่ำเดือนพฤศจิกายนและการที่จะมองเห็นอะไรได้ตามที่ครูบอกก็จำเป็นที่จะต้องขึ้นมาอยู่บนเนินพระจันทร์ตาแหน่งนี้ด้วยเพื่อรอให้จันทร์เสี้ยวเคลื่อนมาแตะติดยอดเขาโลกนั้นเพื่อให้เกิดเป็นปรากฏการขึ้นแล้วคุณเดาความรู้สึกของผมในขณะนี้ยังไง เขาถามครึมคมเบลก็ตอบแซงมาอย่างตามความคิดทันเช่นกันว่าก็เดา ว, ว่าคืนนี้มันเป็นคืนแรมสี่ค่ำซ้ำยังไม่ใช่เดือนพฤศจิกายนเสีด้วยนะสิคุณย่อมคิดว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอย่างที่เคยพบเห็นเพื่อชิงเวลาเดินทางขึ้นไปบนเทือกพระศิวะจะต้องประสบความยุ่งยากแน่และอีกประการหนึ่งที่สาคัญที่สุดก็คือ สแตลลี่เสริมหนักแน่นมาอีกคนขณะนี้ไม่ใช่ฤดูหนาวหิมะไม่ได้ปกคลุมหนาแน่นอยู่บนเทือกพระศิวะเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องไม่ปรากฏเป็นเต้าถัานของพระอุมาให้พวกเราได้เห็นแน่ๆต่อให้พยายามค้นหากันสักแค่ไหนซ้ำถ้าไม่ใช่ฤดูหนาวที่หิมะปกคลุมเหมือนใครมาลาดทางไว้ให้ขุนเขาเชิงเทือกพระศิวะแห่งนี้จะต้องขาดตอน อาจเต็มไปด้วยโตกตรวยหุบเหวไม่สามารถจะเป็นทางเชื่อมต่อกันเพื่อให้พวกเราใช้เดินไต่ขึ้นไปได้ต่างไปกว่าครั้งที่คุณมาตามกำหนดลายแทงในครั้งก่อนซึ่งมีหิมะหนาทึบเปรียบเสมือนถนนทอดขึ้นไปให้พวกคุณเดินไต่ทางได้อย่างสะดวกรถเพ่นอึง้งมือที่สวมถุงหนังทั้งสองลูบเข้าหากันช้ า, ชา เขายังไม่เอ่ยคําใดในขณะนั้นได้แต่หลีตามองไปยังทิวขุนเขามาหึมาทางด้านเหนือในลักษณะครุ่นคิดคิดเอื้อมมือมาวางบนไหล่แก่งข้างหนึ่งของพรานใหญ่แล้วบีบหนักน่วงวันขึ้นห้าค่ํามันมีอยู่ทุกรอบเดือนนั่นแหละระพินแต่ถ้าเป็นขึ้นห้าค่ําของเดือนอื่นๆที่ไม่ใช่เดือนพฤศจิกายน จันเซียวคงจะไม่ลอยลงมาทำมุมโค้งองศาพอดีกับที่จะแตะติดกับยอดเขาส่วนนั้นแล้วไม่ก่อให้เกิดเป็นเทวรูปพระเสวาขึ้นนายมีความรู้สึกที่อยากจะบอกเราเช่นนี้ถูกต้องไหมทุกคนเห็นเขาถอนใจลึกและยิ้มจางๆปรากฏขึ้นบนริมฝีปากพวกคุณทุกคนไม่มีใครโง่เลยถูกต้อง ผมกำลังมีความหนักใจอยู่ในสิ่งที่พวกคุณคิดทายใจผมอยู่ขณะนี้แหละในรอบปีหนึ่งมันมีอยู่เพียงคืนเดียวเท่านั้นที่ปิ่นพระศิวะจะฉายแสงขึ้นเพื่อให้เห็นทันพระอุมานั่นก็คือคืนห้าข้ามของเดือนพฤศจิกายนของแต่ละปีแต่นี้เรามาถึงนี่กันในเดือนมีนาคมกลางฤดูร้อนปรากฏการที่ผมเคยพบเห็นและใช้ประโยชน์ในการเดินทาง ย่อมต้องไม่เกิดขึ้นแน่ๆหิมะก็ไม่อาจรวมตัวปกคลุมเทือเขาจนก่อเป็นรูปร่างได้ให้สังเกตอย่างที่ด็อเตอร์สแตนลี่พูดไว้เพราะฉะนั้นหนทางที่เราหมายถึงพวกผมในครั้งนั้นสามารถเดินย่ำหิมากันขึ้นไปได้สะดวกพรากับใครมาทำทางไว้ให้ย่อมไม่มี และเชิงเขาพระศิวะแห่งนี้ก็เต็มไปด้วยยอดสูงสูงต่ำาๆเต็มไปหมดระหว่างยอดต่อยอดจะกลายเป็นหุบเหวลึกมีช่วงห่า ง, างกันปัญหาที่ผมอยากจะปรึกษาพวกคุณทุกคนก็คือเราจะขึ้นไปสู่ถนนพระศิวะได้อย่างไรเมื่อไม่มีหิมะเป็นแนวทางให้เราเดินขึ้นไปอเมริกันทั้งสี่เงียบกริบกันไปอีกขณะนั่นเองเชิดวุฒ ผู้ซึ่งฟังเงียบๆมาตลอดเวลาก็ถามขึ้นเบาๆเป็นประโยคแรกว่าถึงแม้ในครั้งนั้นพวกของพี่จะใช้ความสะดวกจากการเดินทางไปบนกองหิมะที่ปูลาดไว้และมาคืนนี้เรามองไม่เห็นหิมะปูทางไว้ให้ก็จริงแต่ผมเชื่อว่าพี่คงจะต้องจำทิศทางการเดินทางในครั้งนั้นได้ไม่ใช่หรือครับอีกประการหนึ่ง พี่ไม่ได้ผ่านเข้าไปเพียงเที่ยวเดเียวยังมีเวลาตอนเที่ยวขากลับอีกแม้พี่อาจจะไม่ทำแผนที่ไว้ด้วยตนเองก็จะต้องจําเส้นทางขึ้นลงได้อยู่วันยังค่ำเบลดีดนิ้วโดยแรงเอาแขนเกี่ยวคอเชิดวุฒิผู้ยืนอยู่ใกล้ๆเข้ามาเอาริษฝีปากจุ๊บแก้มนายทหารหนุ่มหนักหนวงพลางร้องแหลมออกมาว่าถูกต้องคนที่ดูเหมือนจะโง่ที่สุด บทที่จะฉลาดขึ้นมาแล้วฉลาดกว่าพวกเราจะอีกน่ารักจริงวุธที่คุณถามประโยคนี้ขึ้นใช่ผมพอจะจำได้ว่าจากตำแหน่งเนินพระจันทร์แห่งนี้เราตัดขึ้นไปในทิศทางไหนประมาณองศาที่เท่าไหร่จอมมกุเทศเ อ, อ่ยขึ้นแผ่วเบาและถ้าเราสามารถจะเหาะกันไปได้แล้วก็ ผมสามารถจะนำทางไปให้ถึงภายในคืนนี้ก็ยังไหวแต่โดยที่ทางที่ผมกำลังเพ่งทบทวนความจำอยู่ในขณะนี้ถ้าเราจะไปให้ได้สิ่งที่จะหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือจะต้องไต่ปีนห้อยโหนตามแก่งโขนหินขึ้นไปซึ่งมันคงจะเป็นการไต่เขาที่ลำบากยากเย็นที่สุดนับตั้งแต่เราได้ออกเดินทางมาและนี่คือข้อหนักใจของผม สเตนลียิมให้กับเขาคุณก็รู้อยู่แล้วว่าพวกเราที่มากันนี่ล้วนเป็นนักไต่เขากันทุกคนและเครื่องมือสำหรับไต่เขาเราก็มีกันมาพร้อมสำคัญทางฝ่ายพวกคุณเท่านั้นโดยเฉพาะพวกลูกหากแต่ถ้าหากเราไม่เร่งร้อนกันจนไปกันเกินไปนักค่อยๆแสวงหาลู่ทางที่มันไม่เสี่ยงเกินไปและช่วยกันประคับประคองช่วยเหลือกันอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่แบบตัวใครตัวมันผมก็แน่ใจว่า มันจะไม่เป็นอุปสรรคอะไรที่หนักหนาเกินกว่าที่เราได้ผ่านผ่านกันมาแล้วถ้าหากว่าความห่วงกังวลของคุณที่มีอยู่ในขณะนี้เกี่ยวกับทางฝ่ายผมแล้วก็ขอให้สบายใจได้ถ้าจำเป็นจะต้องไต่โหนกันขึ้นไปเราก็พร้อมแล้วในเงาจันกระจ่างนวนนั้นทุกคนเห็นริมฝีปากอันเม่มสินของเขาปรากฏรอยยิ้มขึ้นจางๆผมก็อยากจะให้พวกคุณได้รับทราบ และเข้าใจไว้ล่วงหน้าก่อนในสิ่งนี้แหละครับสำหรับคนฝ่ายผมในเรื่องของป่าเขาลำน้ำไัรแล้วไม่ต้องห่วงพวกเขาเลยพวกเขาจะไปกันได้อย่างสบายพอสมควรทีเดียวแต่ที่ผมเกรงก็คือเกรงว่าพวกคุณจะต้องเผชิญกับความยากลำบากเกินไปและจะเกิดความท้อถอยเสียก่อนทั้งทั้งที่เรามาถึงจุดหมายปลายทางแล้วนี่ถ้าสมมติว่าเรามาถึงที่นี่ในเดือนพฤศจิกายน และตรงกับขึ้นห้าข้ามพอดีทุกสิ่งทุกอย่างก็จะสะดวกไปหมดเพราะมีหนทางเดินได้ตลอดแม้จะลุยไปบนหิมะในองศาที่ลาชันขึ้นไปก็ยังดีกว่าที่จะไปไต่ตามแก่งเขาซึ่งอาจมีอยู่หลายลูกสลับซับซ้อนกันอยู่สบายใจได้เพื่อนยากพวกเราพร้อมแล้วในเรื่องนี้พันเอกลารี่คิดบอกหนักแน่นมาอีกคนพร้อมกับหัวเราะห้าวห้าในลาคอ แต่ไหนนายลองชี้ทิศทางให้เราดูซิว่าเราควรจะบ่ายหน้าไปทางด้านไหนถ้าขีดเป็นเส้นตรงรพินยกมือขึ้นชี้ไปทางเทิวสูงตะ ง, งานเงื้อซึ่งแลเป็นขอบเส้นคลุมเครืออยู่ในแสงเดือนทางด้านนี้แหละเยื้องไปทางตะวันตกประมาณ25าดีกรีเราจะเดินตัดไปตามส่วนบนของแนวเนินรูปนางนอนนี่ก่อนแล้วเบนออกทางตะวันตก ในองศาดังกล่าวซึ่งฉันก็ยังไม่แน่ใจว่าเราจะต้องไต่เขาในลักษณะสูงชันสักขนาดไหนถ้าไต่ขึ้นอย่างเดียวแล้วบรรลุเป้าหมายมันก็จะไม่กระไรนักแต่ถ้าไต่ขึ้นแล้วไต่ลงจากนั้นก็จะต้องไต่ขึ้นอีกสลับกันไปลูกแล้วลูกเล่ามันก็จะกินเวลาและหมดเปลืองกาลังมากแต่ถ้าทุกคนบอกว่าพร้อมและรับรู้ล่วงหน้าแบบนี้ฉันก็รู้สึกปลอดโปร่งใจขึ้น จะได้ไม่เกิดอาการท้อแท้หรือมาต่อว่ากันได้ทีหลังพรุ่งนี้เวลาตะวันขึ้นเราจะมองเห็นอะไรต่ออะไรได้ชัดเจนกว่านี้ในหนทางที่เราจะมุ่งหน้าไปครูเลิห่วงได้แล้วคะ่ะมาด้วยการจนถึงขนาดนี้แล้วมันจะยากลาบากอีกซักแค่ไหนพวกเราไม่หวนเลยและเชื่อแน่ด้วยว่าโดยไหวพริบสติปัญญาของครูจะต้องหาทางไต่ขึ้นไปได้โดยลำบากน้อยที่สุด ครูอาจแสวงหาทางลัดได้อีกก็ได้เมื่อเราไปถึงที่นั่นแล้วคริสผู้เสียงใสกังวานเหมือนจะเป็นการช่วยปลุกปลอบให้กำลังใจโซนเบลหัวเราะอย่างไม่อีนางขังขอบกับอะไรทั้งสิ้นพล่งมาว่าคุณเกิดความกังวลห่วงใยต่อพวกเราเกินกว่าเหตุฉันรู้สึกเหมือนกับว่าถนนพระศิวะที่เราจะไต่ไปให้ถึงนั้นมันอยู่แค่เอื้อมนี่เองพวกเราเดินตาย รอดพ้นวิบัติภัยมาได้จนเกือบสุดปลายทางแล้วเช่นนี้ถ้ามันจะเกิดอะไรขึ้นทำให้ไปไม่ถึงก็ให้มันรู้ไปหรื อ, อยังไงวุฒผมก็มีความเชื่อมันเช่นนั้นตราบใดก็ตามที่เรายังมีรพินไพรวันเป็นคนนำทางเชิดวุฒย้ำขอบคุณขอบคุณตอกทุกคนที่เป็นกำลังใจให้แก่ผมอย่างมากถ้าเช่นนั้นก็หมดปัญหาไปแล้ว ที่ผมเชิญทุกคนขึ้นมาแบบนี้ในคืนนี้ก็เพื่อจะบอกให้ทราบในทิศทางและเส้นทางการเดินต่อของพวกเรานี่แหละว่ามันแตกต่างกว่าสมัยที่ผมนำคณะก่อนมาในครั้งนั้นเมื่อทุกคนสามารถเข้าใจได้และพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับมันผมก็ปร่งใจแล้วรัฐพินมีสีหน้าที่แช่มชื่นพึงพอใจขึ้นขณะที่กล่าวด้วยน้ำเสียงกังวลลึกแล้วต่อมาว่ากลับลงไปพักผ่อนกันเถิดครับ เราหมดธุระบนนี้ในคืนนี้แล้วเราจะนอนพักเอาแรงกันให้สบายที่สุดไม่ต้องเร่งร้อนรีบด่วนอะไรอีกแล้วพรุ่งนี้เราจะออกเดินทางในตอนสายหน่อยไม่ถึงกับต้องรีบตื่นขึ้นมาในตอนเช้าตรู่อะไรนักแสงจันทร์บนเนินพระจนนันทร์นี้งามประทับใจเหลือเกินบรรยากาศก็โรแมนติกที่สุดเหมือนอยู่ในสวรรค์ขอให้ฉันอาบแสงจันทร์อยู่ที่นี่อีกหน่อยไม่ได้หรือ เบลเอ่ยขึ้นอย่างล้อๆล้อขณะที่สูดลมหายใจลึกแงงหน้าขึ้นไปบนท้องฟ้าพร้อมทั้งกางแขนทั้งสองออกรบพินบอกมาเรียบเรียบว่าก็ได้ครับเชิญตามสบายผมจะทิ้งคิดหรือคุณวุฒิไว้ให้คุณเป็นเพื่อนให้ทุกคนกลับลงไปก่อนแล้วยอดชายนายรพินอยู่กับฉันเพียงสองคนไม่ได้เหรอลอนเย้ามาหนักหนักอีกพร้อมทั้งเอื้อมมือแตะปลายคางเขา รับพินหัวเราขันๆไม่ถืออะไรพระเดินล่วงหน้าไปก่อนช้าๆเมื่อ น, นั้นคริสถึงกระชากแขนแม่เพื่อนสาวคี้เล่นให้ออกเดินตามหลังทุกคนไปด้วยกระซิบบ้าเขากำลังอารมณ์ดีอยู่อย่าทําให้ต้องหมุดหงิดหัวเสียขึ้นมาอีกว่าแต่เธอเธอฉันรู้สึกว่าระยะหลังๆมานี่เธอเปลี่ยนท่าทีไปจากเขามากนะเบลกระซิบคุยกับคริสได้ยินกันตามลพาพังสองคน เราเดินทิ้งท้ายอยู่เบื้องหลังด้วยกันทั้งคู่ในขณะที่สแตลลี่คีธเชิร์ดวูดและรัพพินเดินรวมกลุ่มสนทนากันไปเบื้องหน้าเปลี่ยนท่าทีหมายถึงยังไงอีกฝ่ายหนึ่งขโมเคิ้วมองหน้าฝ่ายหนึ่งยักไหล่ก็ก่อนนี้ฉันเห็นเธอจ้องที่จะขมอบเขาให้ได้อย่างซ่อนเร้นลึกลับโดยไม่ต้องการให้ใครรู้เห็นเท่าทัน แต่เดี๋ยวนี้เห็นเลิกพยายามไปแล้วทำไมถึงเปลี่ยนความคิดไปเสียล่ะขอให้ได้รู้ไว้แต่เพียงว่าขณะนี้ฉันมีแต่ความเคารพนับถือเขาเสมอโดยครูบาอาจารย์และไม่ต้องการให้ผู้หญิงคนไหนไปทําให้หัวใจอันมั่นคงของเขาต้องเสื่อมคุณค่าไปแม้แต่เธอเองก็เถอะอย่าได้บังอาจเป็นอันขาดจําไว้ถ้าเธอขืนทําอีกฉันจะฆ่าเธอไม่เพียงแต่พูดคริส ขยุ่มอุ้งมืออันทรงพลังเกินตัวบีบที่ต้นแขนของเบลจนแม่ผมแดงร้องออกมาดังๆเบื้องหน้าห่างออกไปห้าหเก้าทั้งสี่ชายที่เดินรวมกลุ่มกันไปด้วยกันไม่ได้สนใจอะไรกับเสียงร้องเอะอของเบลนะักมีแต่คีตเท่านั้นที่หันมาร้องถามว่าเฮ่ hey, นั่นเกิดอะไรขึ้นข้างหลังน่ะไม่มีคำตอบใดๆจากสองสาวนอกจากเสียงบ่นอะไรอุบอิบจากเบลเท่านั้น แล้วก็ไม่มีใครสนใจอะไรอีกทั้งชุดกลับมาถึงที่พักซึ่งพรานลูกน้องของรับพินทั้งสี่ยังคงนั่งล้อมรอบกองไฟย่างเนื้อรอคอยอยู่รับพินแวะเข้าไปพูดสั่งการกับคนฝ่ายเขาอยู่อีกครู่เดียวก็กลับเข้ามาเลือกที่นอนด้านซ้ายสุดซึ่งชิดอยู่กับที่นอนของด็อกเตอร์สแตนลีย์เอ็นหลังเหยียดยาวลงกับพื้นที่ปูผ้าใบาไว้หัวหน้าคณะอเมริกันดึงผ้าเบรนเกตแบ่งชายไปให้เขา ที่นี่มีอันตรายอะไรที่เราจะต้องระวังบ้างไหมสแตนลี่ถามเบาๆระหว่างที่ขยับตัวหาตำแหน่งนอนให้เหมาะรพินรูปปีกหมวกลงมาปิดหน้าไว้ครึ่งหนึ่งไม่มีครับแต่ก็ไม่ควรประมาทขอให้ทุกคนนอนหลับกันให้สบายก็แล้วกันสําหรับคืนนี้มรกตนครที่เรากําลังจะมุ่งไปสู่เป็นยังไงบ้างสําหรับทุกสิ่งทุกอย่างเสียงในคิด ที่นอนถัดไปถามมาบ้างกรุงเอเธนหรือกรุงโรมก่อนคิสการเป็นอย่างไรก็อย่างนั้นแหละไม่ว่าศิลปะสถาปัตยกรรมวัฒนธรรมหรือการเป็นอยู่ของผู้คนสภาพบ้านเมืองแล้วนายจะได้เห็นเองเขาจะต้องรับคนแปลกถิ่นและมาจากโลกภายนอกอย่างพวกเราหรือคริสติน่าเอ่ยมาจากอีกมุมหนึ่งดูเหมือนจะถัดจากตำแหน่งที่นอนของนายคีตออกไป ตามปกติแล้วเขาจะไม่ต้อนรับคนจากโลกภายนอกแต่มาสุดแต่ว่าคนจากโลกภายนอกนั้นเป็นใครผมแน่ใจว่าพวกเขาทั้งหมดคงจะยินดีที่ได้พบเห็นผมอีกหมายถึงเจ้าผู้ครองนครหรืออดีตคนใช้ของคณะเดินทางของคุณในครั้งนั้นน่ะหรือเบลป้อนคําถามมาบ้างแสดงว่ายัางไม่มีใครหลับลงในขณะนั้นใช่ รวมทั้งข้าราชบริพารและประชาชนพลเมืองทุกชั้นทุกเหล่าด้วยเขาอยู่กันในลักษณะไหนนะชุมชนเล็กๆคนกลุ่มน้อยกระมังประชากรสักเท่าไหร่พวกคุณเดาหรือคิดคำนึงอย่างไรมันก็ไม่ถูกต้องกับความเป็นจริงซึ่งจะไปได้เห็นกับตาเองหรอมรกมรรณนครเป็นมหาอาณาจักรมีหัวเมืองบริวารใหญ่น้อยนับเป็นสิบๆเมือง ประชากรไม่ต่ำกว่าสามล้านคนมีรัฐสภามีกองทัพมีมหาปราศาสตรราชมเทียนมีทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนมหาอาณาจักรของโลกภายนอกจะพึงมีเพียงแต่ย้อนหลังไปสู่อดีตไม่ต่ำกว่า4ถึงหพันปีมาแล้วกลบซ่อนอยู่ภายใต้ม่านหมอกแห่งความลี้ลับไม่มีการติดต่อกับโลกภายนอกทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ที่สุด สมบัติของดินแดนนั้นถ้าตีกันเป็นราคาเงินหรือทรัพย์สินสากลก็สามารถจะสร้างสหรัฐอเมริกาของพวกคุณขึ้นมาได้อีกประเทศหนึ่งอย่างสบายมีสัจจะอยู่ประการเดียวที่พวกคุณจะถือปฏิบัตินั่นก็คือทรัพย์สินสิ่งของทุกชิ้นภายในอาณาจักรนั้นหากกษัตริย์ผู้ครองแผ่นดินเขาไม่ได้หยิบยื่นสงให้กับมือก็อย่าได้คิดหยิบฉวยติดมือมาเป็นอันขาด มิฉะนั้นจะไม่มีโอกาสหาทางออกกลับคืนมายังโลกภายนอกได้อีกแล้วขุมเพชรขุมทองและอัญมณีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในจักรวาลนี้หลบซ่อนอยู่ที่นั่นเรียกขานกันว่าขุมเพชรพระอุมาเป็นมหาสมบัติของเทพเจ้าเบื้องบนพวกคุณจะได้เห็นและสัมผัสแตะต้องได้ถ้าเขาอนุญาตแต่จะนำติดตัวออกมาไม่ได้เลยแม้แต่ชิ้นเดียว ถ้าเขาไม่หยิบยื่นให้นี่เป็นข้อสัญญาและขอทำความเข้าใจไว้ก่อนล่วงหน้าก่อนที่ผมจะนำพวกคุณล่วงล้ำเข้าไปซึ่งหวังอย่างยิ่งว่าทุกคนที่มาด้วยกันคงยินยอมปฏิบัติตามแล้วเครื่อง B 5 2กับระเบิดของเราถ้าหากไปพบว่าตกอยู่ในดินแดนนี้อย่างที่เราหวังกันไว้ล่ะหัวนหน้ า, นาคณะค้นหาระเบิดนิวเคลียร์ร้องออกมาเสียงสูง ในที่ซึ่งทุกคนนอนเรียงรายรวมกันอยู่ในหน้ากระดานเหมือนผ้าใบปูผืนเดียวกันความเงียบได้เข้ามาปกคลุมอยู่ขณะจิตต่างดูเหมือนกาลังรอฟังความเห็นจากมัคุเทศนำทางอยู่โดยคำถามของหัวหน้าคณะที่ตั้งขึ้นเอาไว้ให้ถึงไปพบและไปเห็นกับตากันเสียก่อนเถิดครับแล้วเราค่อยหารือกันอีกที แล้วคำตอบอย่างเรียบราบแผ่วต่ำก็ดังมาจากบุรุษผู้นั้นเราน่าจะหาเรือกันไว้ก่อนก็ได้นี่นะเพราะนี่เป็นประเด็นสำคัญที่สุดของการเดินทางมาของเรานายก็รู้ดีอยู่แล้วว่าซากเครื่อง B-52 นั่นนะมันไม่มีความหมายอะไรแต่ระเบิดนิวเคลียร์10เมกะตันลูกนั้นคิดเอ่ยมาแผ่วเบาแต่น้ำเสียงบ่งบอกถึงความวิตกกังวลเต็มที่ พวกนายเสยดายระเบิดล้างโลกโลกนั้นกันหรือระพินถามมาด้วยน้ำเสียงเรียบๆเรื่อยๆอย่างเดิมเมื่อนั้นฝ่ายของนายจ้างจึงพากันดึงกายขึ้นมานั่งอีกครั้งจากท่าที่เอนนอนลงไปแล้วในเงาสลัวพรมแพมจากแสงไฟที่ก่อไว้สาดเข้ามายังบริเวณที่พักนอนส่องให้เห็นเข้าหน้าที่เต็มไปด้วยความอึดอัดของแต่ละคนอย่างเด่นชัด แต่พระนําทางยังคงนอนสงบนิ่งอยู่ในอาการเดิมโดยมีหมวกปิกรุปหน้าไว้ครึ่งหนึ่งเท่านั้นรพินมีบางสิ่งบางอย่างที่คุณอาจเข้าใจผิดในเรื่องนี้ผู้ที่พูดขึ้นอย่างเคร่งครึมคือหัวหน้าคณะอเมริกันพวกเราที่มาด้วยกันทั้งหมดสี่คนนี่รวมทั้งรัฐบาลสหรัฐและคนสหรัฐทั้งหมดไม่มีใครเสียดายระเบิดโลกนั้นหรอก ถ้าหากเรามีความเชื่อมัน่นรู้แน่ว่ามันไม่ได้อันตรธานหายไปจากโลกนี้แล้วโดยไม่มีพิษร้ายของมันเหลือตกค้างอยู่หรืออาจเกิดพิษภัยขึ้นได้ภายหลังแต่ที่เรายังติดข้องห่วงใ ย, ยอยู่ก็ด้วยสํานึกแห่งมนุษยธรรมและความรักในมนุษยชาติตลอดจนสิ่งแวดล้อมของโลกที่เราอาศัยอยู่นี้ซึ่งเราจะต้องรับผิดชอบเต็มที่เฉพาะพวกเราสี่คนที่รับงานมาในครั้งนี้ เราไม่ได้สร้างระเบิดลูกนั้นมาเราไม่ได้รู้เห็นมาก่อนเลยเช่นกันว่าระเบิดลูกนั้นเคลื่อนย้ายจากที่ใดจะมุ่งหน้าไปยังที่ใดเพื่ออะไรแต่เราได้รับมอบหมายมาเฉพาะหน้าให้ติดตามค้นหาให้พบเพื่อกู้กลับคืนไปเท่านั้นเพื่อรักษาโลกและสิ่งแวดล้อมไว้ให้ปลอดภัยผมเข้าใจความรู้สึกของคณดีมาแต่ต้นแล้วว่าเต็มไปด้วยความเกลียดชังพวกเราแต่ ขอให้มองลึกลงไปในแง่ของเหตุผลต่างๆคุณเองก็มีสมองมีการศึกษาที่ดีเลิศมาแล้วมันไม่ใช่ความผิดของพวกเราสี่คนนี่เลยสักนิดเดียวขอให้คุณได้รู้ไว้ว่าผมเองเป็นคนหนึ่งในคณะกรรมธิการของพลังงานปรมานูเพื่อสันติผมแอนตี้สงครามมาตลอดชีวิตของผมผมอยากจะให้โลกของเราทั้งหมดนี้ได้อยู่อย่างสันติพาราดรภาพ ไม่มีการเบียดเบียนคมเหงราวีกันแต่จงมองลึกลงไปในความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้ตราบใดก็ตามที่ฝ่ายตรงข้ามยังแสดงท่าทีคุกคามโลกทั้งหลายอยู่เราก็จําเป็นจะต้องมีอํานาจในการต่อรองมีอํานาจไว้เพื่อทวงดุลไม่ให้เกิดสิ่งอันเราไม่พึงปรารถนาขึ้นการเตรียมพร้อมไม่ได้หมายความว่าเราจะลุกราัใครผมอยากจะให้คุณเข้าใจในสิ่งนี้ เพื่อว่าในจิตใต้สำนึกของคุณจะได้ยุติการมองเราในแง่ร้ายอย่างเด็ดขาดไปเสธธียทีผมรู้นะรรบพินโดยเปลือกนอกทั่วๆไปแล้วการที่เราได้ร่วมชีวิตกันมาจนถึงบัดนี้เรารู้ว่าคุณอย่างซึ้งรักน้าใจของพวกเราและยอมรับเราไว้เป็นเพื่อนแต่ลึกลงไปกว่านั้นโดยที่คุณเองก็อาจไม่รู้ตัวนั่นคือจิตใต้สานึกคุณยังเกลียด ยังไม่ไว้วางใจพวกเราอยู่โดยที่คุณก็ไม่อาจได้รู้ตัวหรือไม่ตั้งใจเลยเราอยากจะเคลียร์จิตใต้สํานึกส่วนนี้ออกไปจากสมองของคุณเสียไม่ว่ามันจะซ่อนลึกอยู่แค่ไหนพระพิณไพยวันค่อยๆใช้นิ้วเสย ด, ดันปีกหมวกที่รุปปิดหน้าขึ้นช้าๆจนทุกคนมองเห็นดวงตาของเขาซึ่งไม่ได้ปิดลงเลยยังคงล u มสว่างอยู่เช่นนั้น คุณเป็นนักวิเคราะห์จิตที่ลึกซึ้งและเฉียบคมมากดรสเตอร์ลีผมเพิ่งจะเข้าใจตัวเองเอาเดี๋ยวนี้เองว่าในดวงจิตส่วนลึกของผมยังมีความชิงชังพวกคุณอยู่โดยที่ผมเองก็ไม่อาจรู้ตัวอย่างคุณว่าเอาละ่ะผมจะถอดความรู้สึกที่ไม่ดีชนิดนี้ออกไปเสียให้เด็ดขาดเลยสำหรับคำถามหรือคาหารือของพวกคุณเมื่อสักครู่นี้ผมขอตอบว่า ชาวมรกรนครจะไม่หวงแหนอะไรที่ไม่ใช่เป็นสมบัติของเขาสมมุติถ้าเราไปพบระเบิดลูกนั้นเข้าแล้วทางฝ่ายคุณมีปัญญาที่จะกู้กลับคืนไปได้อย่างไรพวกเขาก็คงไม่ขัดข้องหรอกแต่มันจะเป็นไปได้ไหมในข้อที่ว่าเมื่อเราพบซ่าเครื่องตกแล้วพบระเบิดแล้วทางฝ่ายคุณจะสามารถใช้วิทยุติดต่อกับศูรรนย์บังคับการของฝ่ายคุณได้เพื่อขอให้ส่งกําลังทางอากาศ ล่วงล้ําเข้าไปในดินแดนนั้นแล้วลําเลียงระเบิดลูกนั้นกลับคืนไปเราก็คงต้องพยายามกระทำเช่นนั้นแหละแต่จะได้ผลหรือไม่อย่างไรยังไม่อาจบอกได้คิดยกมือขึ้นลูกหัวซึ่ง บ, บัทนี้ไม่ได้เรียนอย่างแต่แรกแล้วถ้าได้ก็เป็นสิ่งวิเศษมากก็ขนเอาระเบิดลูกนั้นกลับไป แต่ถ้าการติดต่อยังไม่ได้ผลอย่างเดิมละ่ะจะทำอย่างไรเราไม่สามารถจะเกณฑ์ให้พวกชาวมรดกนครช่วยกันแบกระเบิดลูกนั้นเดินทางออกไปสค์ให้พวกเราอย่างโลกภายนอกได้แน่นอนถ้าไม่มีทางจะเอาออกมาได้ก็ต้องทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างไว้ที่นั่นเอาชีวิตเฉพาะของพวกเรากลับคืนออกไปสู่โลกภายนอกอย่างเดียวเท่านั้นนั่นเป็นวิธีเดียวที่จะทาได้ สแตนลีย์เป็นคนให้คำตอบแล้วพวกคุณจะกลับไปรายงานให้หน่วยเหนือทราบว่าอย่างไรหวหนาคณะอเมริกันยักไหล่นิดหนึ่งพรายมือกว้างออกไปพร้อมกับเบ้ปากผมเองขณะนี้ก็ยังบอกไม่ถูกเหมือนกันว่าถ้าเราพบเครื่องตกพบระเบิดแล้วและตัวผมเองก็ไปถึงบ้านแล้วผมจะทํารายงานกับหน่วยเหนือว่าอย่างไรไม่เฉพาะผม แต่มันหมายถึงคิดเบลและคริสด้วยมันเป็นสิ่งยุ่งยากลำบากใจสําหรับพวกเรามากทีเดียวในการที่จะเปิดเผยความจริงออกไปทั้งหมดในเส้นทางเดินค้นหาของเราครั้งนี้บางทีพวกเราทั้งหมดสี่คนนี้อาจอยู่ในสภาพที่เป็นใบ้กันไปหมดคือไม่บอกความจริงอะไรสักอย่างนอกจากจะบอกหรือให้การรายงานอย่างเดียวว่า ค้นหาแล้วไม่พบใครจะเชื่อไม่เชื่อหรือมีข้อสงสัยอย่างไรเราไม่มีคำอธิบายเพราะไม่สามารถอธิบายได้ผมว่าข้อเลือกข้อหลังของคุณนั่นแหละเป็นวิธีที่ดีที่สุดพบเห็นแล้วก็ลืมมันเสียให้หมดเลยใครถามหรือสอบสวนอย่างไรก็บอกว่าไม่รู้ไม่เห็นไม่พบก็แล้วกันผมไม่คิดว่า หน่วยเหนือของคุณจะตั้งความหวังอะไรไว้มากนักในการกาหนดให้พวกคุณออกจ้างพรานำทางค้นหาทางพื้นดินแบบนี้เป็นการทดลองทําดูในทุกวิถีทางเท่านั้นที่จะทําได้และป่านนี้โดยการขาดการติดต่อของพวกคุณไปนานพวกเขาก็อาจคิดว่าพวกคุณตายกันไปหมดแล้วก็ได้พวกเราจะรู้สึกไม่สบายใจเป็นอย่างมากที่ระเบิดลูกนั้นไปอยู่ในเขตแดนของมรกกนคร ไม่เกี่ยวกับการเสียดายทรัพย์สินของเราหรอกแต่เราเป็นห่วงถึงเรื่องพิษภัยที่มันอาจเกิดขึ้นแก่แผ่นดินนั้นได้ภายหลังมันจะเท่ากับว่าเราไปทำลายโลกซีกส่วนนั้นเสียทั้งหมดไม่ว่ามนุษย์พืชและสิ่งแวดล้อมทุกอย่างเบลพูดด้วยน้ำเสียงไม่สบายใจเป็นอย่างมากเป็นการพูดอย่างบริสุทธิ์ใจไม่มีการเสแสร้งจาได้ว่าผมได้เคยบอกกับพวกคุณทั้งหมดไปแล้ว อะไรก็ตามที่เป็นวิทยาการก้าวหน้าหรือไฮเทคของโลกภายนอกถ้าหลงพัดเข้าไปอยู่ในดินแดนนั้นแล้วด้วยมหิทธิอํานาจพลังงานเหนือโลกซึ่งเข้ามาควบคุมไว้ระเบิดนิวเคลียร์สิทธิ์เมกะตันของพวกคุณถ้าอยู่ในดินแดนรับแลแห่งนี้มันก็จะมีสภาพเป็นเพียงก้อนหินก้อนดินเพียงก้อนหนึ่งเท่านั้นไม่อาจแตกเปลือกกระจาย ระเหยกรรมมันตภาพรังสีใดๆออกมาได้ทั้งสิ้นหรือต่อให้ติดหัวรบติดชนวนแล้วมันก็ไม่มีวันที่จะปะทุระเบิดขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ขอให้หมดห่วงไปได้เลยถ้าเป็นอย่างนั้นจริงพวกเราก็จะรู้สึกปลอดโปรุ่งใจมากและจะไม่รู้สึกว่ามีบาปติดอยู่ในใจอีกต่อไปแม้ว่าเราจะไม่ได้มันกลับคืนมาก็ตามคริส พร้อมกับถอนใจยาวแล้วหล่อนก็หันมาบอกกับพักพวกทุกคนว่าพวกเรานอนกันได้แล้วกระมังอย่าเพิ่งรบกวนอะไรพรานนาทางของเราให้มากไปกว่านี้อีกเลยรู้สึกว่าเข้าอิดรอยเต็มทีและอยากจะพักอย่างเต็มที่แล้วอะไรที่มันยังเป็นปัญหาค่อยเอาไว้ว่ากันพรุ่งนี้ใหม่ทั้งหมดของฝ่ายนายจ้างที่พากันลุกขึ้นมานั่งพากันนอนลงไปอีกครั้ง ไม่มีใครเอ่ยคำใดขึ้นอีกเลยและชั่วไม่นานต่างก็หลับกันไปด้วยความอ่อนเปรียปร้ยเพลียแรงภายใต้ชะง่อนหินเหนือฐานน้ำอันเป็นที่หลบกำบังกระแสลมได้เป็นอย่างดีตําแหน่งนั้นรัพพินผู้ไม่ได้ลุกขึ้นมาเลยนอกจากพูดตอบโต้กับฝ่ายนายจ้างเขาในขณะที่ยังทอดกายนอนอยู่นั้นกลับกลายเป็นผู้ที่หลับไปหลังกลุ่มนายจ้างของเขาทุกคน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 เห็นหีบศพหินอ่อนสีชมพูอันมีรอยฟ้าหีบเบี่ยงอ้าเผยออกมาภายในมหาสุสานเห็นภาพของจิตราขนางปลาหอกลงมาปักอยู่ตรงแทบเบื้องหน้าของตนแล้วฉับพรันก็ชักมาศึกควบตะบึงพระจากไปก่อนที่จะยับยั้งได้ทันเห็นภาพของตนเองกำลังปฏิบัติหน้าที่พรานนำทางให้อเมริกันชุดนี้และอยู่คนเดียวริมทานน้าใกล้ขํา กำลังเก็บชอบปักษาสวรรค์มาบรรจงร้อยรัดประสานกันเป็นมาลาประดับผมแล้วบรรจงสวมเป็นมงกุฎไพรลงไปบนโขดหินแทนความหมายของหัวใจรักที่มอบไว้ให้แก่แม่ดอกฟ้าผู้สูงสักอันไม่คิดหวังว่าชาตินี้จะมีโอกาสได้พบเห็นกันอีกแล้วและพรันโขดหินนั้นก็กลายร่างมาเป็นดารินวราฤทธิ์อย่างปัจจุบันทันดุ ยิ้มทั้งน้ำตาและโผลร่างเข้ามาในอ้อมกอดของเขาอย่างปราบลื่มปิติสุขเขาก็รัดร่างของเธอไว้แนบแน่นประหนึ่งจะกลืนเป็นเนื้อเดียวกันในภาวะตะลึงเพล่งเพลิดระพินระพินระพินกระแสเสียงของหล่อนกังวานใสรัวเร็ววละล่ำละลักคุณหญิง สุดฟ้าสุดแผ่นดินฉันจะขอติดตามเธอจนกว่าชีวิตดับจะตามหาอยู่เช่นนี้สุดที่รักพระนีผมมาทุกชาติทุกภพแล้วหล่นเงยหน้าขึ้นจากอาการที่ซบอกน้อมคอเขาลงมาจูบหัวเราะทั้งร้องไห้ชาตินี้ฉันจะไม่หนีเธออีกแล้วแต่จะตามได้ยินไหมว่าจะตาม ไม่ว่าเธอจะไปอยู่สุดขอบฟ้าป่าหิมะพานที่ไหนยกเว้นประการเดียวถ้าเธอทรยศต่อความรักของฉันเมื่อนั้นขอให้เทพเจ้าจงมาเอาดวงวิญญาณของฉันไปเสียจิตตลางคนางหลอนสันศรีรษะจนผมกระจายไม่เอาฉันจะเป็นดารินไม่ใช่จิตตลางคนางเพราะจิตตลางคนางนั้นอาภาัพนัก นิอคนิรุธมาตลอดเวลาแล้วแต่ดารินในชาตินี้จะเป็นฝ่ายตามรับผินบ้างละ่ะตามให้เห็นประจักษ์กันทีเดียวว่าหัวใจดวงนี้ยังมั่นคงต่อดารินอยู่อีกหรือเปล่าหรือว่ามีคนอื่นเข้าไปแทรกซ้อนอยู่แล้วนิ้วเรียวนั้นจิ้มที่ทรงอกตำแหน่งหัวใจของเขาบอกมาสิคะยังเป็นรับผิดของฉันอยู่หรือเปล่าผม ยังเป็นของคุณหญิงอยู่เสมอไปทุกชาติทุกภพไม่ว่าจะเป็นอัคคีรุษเป็นรพินหรือเป็นใครอีกต่อไปสัญญาสิว่าเราจะไม่มีวันแยกจากกันอีกแล้วครับผมขอให้สัญญาด้วยชีวิตคริสติน่าและอิซาเบลตื่นขึ้นพร้อมกันด้วยเสียงเรียกหนักๆของดอกเตอร์สแตนลีย์หัวหน้าคณะ พลอยทำให้เชิดวุดและคริสลืมตาพงกหัวขึ้นมาด้วยขณะนั้นสี่นาิกาสนาทีพอดีมีอะไรหรือค้าอาจารย์สองสาวร้องถามขึ้นพร้อมกันช่วยกันหน่อยเร็วระพินจับสั่นไม่ได้สติไปเสียแล้วตัวร้อนอย่าง ก, กับไฟคริสกับเบลเ่นลุกพรวดออกจากโป่งผ้าห่มพร้อมกัน